ยี่สิบเจ็ดอียเยดในโรงแรมการมาถึงพูดไลโหอากนนมคุณมีห้องว่างไหมคะมีวั ด, ดวะว่กขาลดีกะดิวุนดะดิฉันจองห้องแล้วคะ่ะ เน้นว่กับกะกะนี่มุนด์ก้าคุดรชุกุนนานุดิฉันชื่อมิลเลอร์ค่ะน้าเปรูปมิลเลอร์ดิฉันต้องการห้องเดียวค่ะน้าก็ว่กซิงเิลกับดิคาวาลีดิฉันต้องการห้องคู่ค่ะน้าก็ว่ากับดับเบิลรูมคาวาลีห้องราคาคืนเท่าไหร่คะ บอกกับราตริกิดกตยัต้ตุ่นดิดิฉันอยากได้ห้องที่มีห้องน้ำค่ะนกุศนาเกโปะเตว่ากับชินนิกาวลดิฉันอยากได้ห้องที่มีฝักบัวค่ะนกเวุนาวกับกิกวลิดิฉันขอดูห้องได้ไหมคะเนนุกดชูัจ ที่นี่มีโรงรถไหมคะอีกกดาษการ์จิวที่นี่มีตู้นิราภายักกยไหมคะอกดยนัปเป n ต์ที่นี่มีเครื่องแฟกซ์ไหมคะอีกกระ f a ษแฟกซ์มิชินวดดีดิฉันเอาห้องนี้ค่ะสรินี่นุ ก, กระดิติสคุณตานุ นี่กุญแจห้องค่ะตาลาลูอี ก, กระบุนไหนนี่กระเป๋าเดินทางของดิฉันค่ะนาสามานูอี ก, กระบุนดีบริการอาหารเช้ากี่โมงคะมีริเย่สมัยานนีก้ก breakfast อิสตารุบริการอาหารกลางวันกี่โมงคะมีริเย่สมยานนกอิสตาร บริการอาหารเย็นกี่โมงคะมีรื่อยเสมอไน่กี่ดินเนอร์ริสตารุ